พวกเราก็เป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลเนาะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ป่วยนะให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะหรือถ้าไม่หายก็สา ม, มารถแบบประคับประคองให้เขาเจ็บน้อยลงหรือว่าให้ยากินน้องไปดูแลกันต่อนะก็ถือว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นงานที่ มีความสําคัญเนาะที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีทุกขเวทนาทํางกายน้อยลงหรือว่าหายไปเนะนี่ยถ้าเราเอาเห็นว่างานที่เราทํามันมีคุณค่านะเราก็จะรู้สึกว่าความเหนื่อยยากความเหนื่อยล้ามันก็มันก็เป็นเรื่องทํางกายนะที่มันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดานะแต่ผลที่เราได้คือความสุขใจที่เราได้ ได้เห็นเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าได้เห็นเขามีความสุขนะสุดกายสุดใจขึ้นอันนี้มันจะเป็นผลที่เราได้คล้ายๆเหมือนกับพ่อแม่นะที่เวลาเลี้ยงลูกอะ่ะบางทีก็เหนื่อยเนาะอาลามายเองไม่เคยเป็นพ่อเป็นนะไม่มีลูกนะแต่ก็เห็นบางคนที่เขามีลูกครานเขาก็บางทีก็กดนอนนะหรือบางทีก็ เหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็ต้องมาเหนื่อยล้าในการเลี้ยงลูกด้วยแต่ก็ทำด้วยความเต็มใจนะก็มีความสุขใจนะสุขใจที่ได้ดูแลชีวิตหนึ่งให้ให้ดีขึ้นนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เหมือนหมอพยาบาลก็คล้ายๆเหมือนพ่อแม่นะที่ดูแลผู้ป่วยให้เขาดีขึ้นอันนี้คือเราเราทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนอื่นเนาะ ก็เรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้คืองานที่สําคัญของหมอแล้วก็พยาบาลแต่ที่จริงถ้าจะทําให้สมบูรณ์กว่านั้นเนาะการช่วยเหลือคนอื่นให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยมันเป็นประโยคข้างหลังแต่ประโยคข้างหน้าเนี่ยมันสิ่งที่จะสมบูรณ์ขึ้นคือ เราต้องช่วยเหลือตัวเราให้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะการช่วยเหลือตัวเราให้สามารถช่วยคนอื่นได้นะในมหาลัยหรือในวิทยาลัยที่เราเรียนนะและ้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการช่วยเหลือทางด้านการรักษาทำการแพทย์หรือว่าการรักษาโรคทางกายนะหรือการดูแลทางกายเพื่อให้เขาหายจากโรคนะอันนี้ก็เป็น ความรู้ที่เรามีแต่อย่าลืมนักจิตใจของมนุษย์เรามีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะการที่เราจะช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เราเองก็ต้องช่วยเหลือนะช่วยเหลือตัวเองหรือว่าเราเองก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้ให้ที่สามารถช่วยเขานะสามารถคลายความทุกข์ใจได้ด้วยนะอันนี้เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของพวกเรา เราเองก็ต้องรู้จักวิธีที่จะอะอะทําอย่างไรให้ใจเราทุกน้อยลงหรือว่าทุกหมดไปจากใจของเรานะแล้วถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้หรือแม้ยังทําไม่ได้ทั้งหมดนะแต่เราก็สามารถที่จะเอาไปแนะนําคนป่วยหรือว่าญาติที่น้องอ่คนป่วยที่จะไปดูแลคนอื่นต่อได้ น, นั่นคืองานที่สําคัญนะที่มาที่ว่า ถ้าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือว่าฝุกคนตัวเองเพื่อที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแล้วเราก็จะเอาไปช่วยคนอื่นให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเนี่ยอันนี้คือสองส่วนที่ประกอบกันเนาะวเราจะเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือจิตใจของเราเองหรือว่าช่วยเหลือจิตใจของผู้ป่วยให้ ให้คลายความทุกข์ใจเนะี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะให้เราระลึกบ่อยๆนะว่างานที่เราทำไม่ใช่แค่การรักษาโรคนะแต่คือการช่วยให้เขามีความสุขใจหรือว่าลดความทุกข์ใจลงไปด้วยนะเมื่อเราทำได้แบบนี้นะเราก็จะมีความสุขหรือว่าคนป่วยบางทีบางทีก็ไม่หายไม่หายจากโรคนะแต่ใจเขาก็ทุกน้อยลงได้นะนะด้วย ด้วยการด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำของเราแต่เราจะทำแบบไหนให้เรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นไอ้ตรงนี้ก็ในในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนา ะ, ะเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนเราต้องฝึกฝน เราเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาหรือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องสะสมในทางพุทธศาสนาก็การอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือว่าบนบาสาันสารกล่าวอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่สามารถเกิดผลได้จริงเนาะแต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะทําในให้เราสามารถที่จะฝึกฝนใจเราให้ให้เข้าถึงตรงนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญนะอี่ยที่เราได้สวดมนต์มูสสักคู่เรื่องเทวดาก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีนะเมื่อคิดถึงทางที่เป็นมงคลมงคลคืออะไรมงคลคือสิ่งที่ชีวิตที่ประเสริฐขึ้นอชีวิตที่ประเสรนั่นแหละคือชีวิตที่เป็นมงคลสามสิบแปดอย่างที่หรือสามสิบแปดประการเนี่ยเราสามารถทําได้เป็นประจํา ถ้าจะว่าไปจริงๆนะก็ 3.8 ประการเนี่ยอาภิตมาคิดว่าหลายท่านก็ทําอยู่แล้วนะเช่นบางท่านก็เลี้ยงดูบุตรธิดาบางท่านก็เลี้ยงดูมารดาบิดาแบบนี้เนาะบางท่านก็รู้จักทาทานนะบางท่านก็รู้จักฟังธรรมอะไรแบบนี้เป็นประจำไอ้คนเนี้ยเราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะหลายคนก็ทําเป็นประจําอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ครบทั้งหมดนะแต่ก็ถ้าเราจะลึกว่าที่จริงเนี่ยมงคลสามสิแปดประการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแต่เฉพาะอยู่ในขอบของวัดเท่านั้นนะขอบที่เราอยู่ในบ้านเช่นเราเลี้ยงดูมารดาบิดาเราสมเคราะห์หนูญาตหรือว่าเราดูแลลูกหลานเนนะี่ยมันก็เป็นทางที่ทําให้เราชีวิตเรากระเสริฐนะพเจ้าทัานบอกว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยนะ เชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะบางทีเราดูคนดีนะเราดูที่ไหนบางทีก็ดูยากนะดูที่ชื่อเสียงดูที่คนอื่นเขาว่าบางทีมันก็ไม่แน่วิธีที่จะดูง่ายๆคือดูที่ความกะตันยูกระตะเวทนะีถ้าใครมีความกะตันยูกระตะเวทีนะกระตันยูคือรู้บุญคุณนะที่คนอื่นได้ทำไว้กับเราก่อน กระตะเวทีคือการตอบแทนบุญคุณนะคนที่ทำความดีกับเรามา่อก่อนนะซึ่งนี้คือเครื่องหมายของคนดีน ะ, ะความกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยนอกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจริงถ้ารวมถึงนะครูบาอาจารย์รนะวมถึงสังคมรวมถึงประเทศชาติรวมถึงโลกนี่ก็ยิ่งกว้างไปเลยนะ <c oughs> เราสามารถทำได้เนะ่นนั้น บังทีบางทีเราก็ดื่มคิดนะอย่างต้นไม้ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาเหมือนไม่มีบุญคุณกับเราเหรอแต่จริงเราสังเกตบางทีเราร้อนร้อนเราไปหบร่มใต้ต้นไม้เนี่ยเราได้รับความเย็นกายได้รับความเย็นใจแล้วใช่ไห ม, มต้นไม้ให้ออกซิเจน่ะไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เสียต่ำเราเปิดแอร์ยังต้องเสีย เสียตังค่าไฟนะแต่ต้นไม้ให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นเนี่ยไม่ได้เรียกร้องเงินฟองเลยอันนี้คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณกับเราอย่างหนึ่งเนา ะ, นะถ้าเราสามารถคิดถึงกว้า ง, งไปว่าบางทีสิ่งที่มีบุญคุณกับเราเนี่มีเยอ ะ, ะแต่บางทีถ้าเรามองแคบแ บ, แ บ, บางทีเราจะเราจะรักแต่เฉพาะคนในครอบครัวของเราหรือรักแต่เฉพาะเพื่อนของเรา แต่ถ้าเรามองดีๆนะนะเราสามารถรักได้ทั้งหมดไปเลยนะอันนี้ถ้าเรามีความกระตันยุกระตเวทีมันก็จะเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่มันก็จะมีอีกหลายอย่างที่เราก็ทำนะอย่างข้อแรกเลยการไม่พบคนผ่าลนะไม่ใช่ว่าคนที่เคยทำผิดทุกคนเราจะไม่พบไม่ใช่ว่าคนที่เคยทำอะไรไม่ดีกับเรา เราจะไม่ให้อภัยแล้วก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยนะอันนั้นอันนั้นก็ยังมองแบบแคบแค้นนะบางคนเห็นคนนี้เป็นคนไม่ดีนะเคยทำไม่ดีเคยติดคุกเคยนะหรือเคยอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยอันนั้นก็ไม่ถูกทั้งหมดนะแต่จริงคำว่าไม่คบคนพาจริงๆนะนะถ้าจะดึกซึ้งจริงๆนะ คือการไม่พบกับความชั่ว <c ười> นะคนคนอาจจะมีเผลอทําชั่วนะหรือแต่บางครั้งเขาก็มีทําดีแต่การไม่พบกับความชั่วสําคัญกว่านะความชั่วทั้งในที่มันกอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับคนอื่นเนยะเราไม่พบกับมันได้ไหม <c ười> เวลามันคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะ เราไม่เราไม่ทำตามความคิดที่ไม่ดีได้ไหมนะไม่พูดตามความคิดที่ไม่ดีได้ไหมอันนี้คือการไม่ครบคนชั่วการไม่ครบนะสิ่งที่ไม่ดีนะแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้หรับนะห้ามไม่ได้ว่าบางทีก็อาจจะมีคิดดีบ้างมีคิดไม่ดีบ้างรู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่ครบกับมันก็คือว่ามันคิดก็ช้ำมันนะ แต่เราก็ไม่ไปทําตามมันนะเนี่ยความคิดก็ไม่สามารถที่จะนะมาสั่งการสั่งงานเราได้คล้ายๆเหมือนกับทรรโลกนะเช่นการไปพบมิตรที่ไม่ดีเช่นบางคนเล่นอบายมติดอบาย ม, มุกในหลายๆอย่างเช่นการพ น, นันหรือว่ายาเสพติดเขามาชวนเรานะเราก็มีสิทธินะที่จะเลือกว่าเราจะไปหรือว่าเราไม่ไปใช่ไหม เนะี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวหรือว่าเราก็ชอบเหมือนกันเราก็ไปทาอาบายทาตกต่าแต่ถ้าเรามีสติเรามีความมั่นใจในทางที่ดีเราก็รู้จักปฏิเสธได้อันนี้คือเรามีคบเนี่ยไม่ ค, บ, นะมคบคนที่ชวนเรานไปทางไม่ดีเนาะจิตใจเราเองก็เหมือนกันนะเวลามันคิดไม่ดีเนะี่ยเราก็ไม่คบกับมันนะเนะี่ย ไม่ครบก็คือว่ามันจะคิดก็ชัางมันเราก็ไม่ต้องทาตามมันนะเราจะครบบัณฑิตบัณฑิตก็คือความคิดที่ดีหรือว่ากุศลนะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสิ่งที่ดีเนะี่ยเออเราครบเราทาอย่างเช่นนะความเมตตานะความให้อภัยนะความช่วยเหลือแม้บางทีกุศลบางอย่างนะมันก็ทำแล้วขัดใจ ขัดใจเช่นเขาว่าเราเนี่ยเราต้องให้อภัยเขาด้วยเหร อ, อแล้วเขาว่าเราสิ่งที่สมควรทําคือเราต้องว่าเขาตอบสิอันนี้มันขัดใจนะบางทีบางทีกุศลบางอย่างมันก็ขัดใจเพราะว่าบางทีเพราะว่ามันกิเลสมันมันย่อหยวนเนาะเช่นเขาทําไม่ดีกับเราเราก็จะปล่อยรู้สึกไม่ดีกับเขานะแต่บางทีเราก็ต้องรู้สึก รู้จักอภัยหรือว่าต้องขัดใจตัวเองบ้างหรือบางทีเนาะเราในชีวิตการงานของเราบางทีเราก็ช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนไข้นะแต่บางทีคนไข้บางคนก็โวยวายบางคนก็ไม่พอใจหรือญาติพี่น้องบางคนก็ไม่เข้าใจการทํางานการรักษาก็เรียกร้องหรือว่าก็พอไม่พอใจก็โวยวายอะไรต่างๆบางทีความรู้สึกนะมันก็เหมือน เราอุตส่าห์ช่วยเขาทําไมเขามาว่าเรานะเราอุตส่าห์ทําดีกับเขาเขาทําไมไม่รู้จักขอบคุณเรานะมาเองกันก็มีประสบการณ์ดูแลพระหรือว่าโยมที่ไม่สบายบ้างนะบังทีก็เห็นเลยว่าตอนเราดูแลเคยดูแลพระที่ท่านอตกหลังคาแล้วก็เป็นอมณ์ เป็นอมตะพาตเลยนะอมตพฤกอมตะพาตก็แต่ตอนหนังก็ท่านก็ดีขึ้นแต่เราเห็นนะยบางทีพอเราไปดูแลแล้วก็เราก็คิดว่าเราไปช่วยเหลือเขาบางทีพอท่านไม่บอกท่านมีอารมณ์หุมีใ่เราบางทีเราเห็นเลยว่าความไม่พอใจในใจเรามันเกิดขึ้นนะความคิดมันเกิดขึ้นทันทีนะอุตส่าหช่วยทําไมมาว่าเราด้วยอะไรนะแตม่มันเห็นตรงนี้ขึ้นมาในใจ ครับคิดว่าหลายคนก็คงมีนะแต่มาเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องคือตอ น, น, นแรกๆมันจะไม่ธรรมดาถ้าเราไปดงไม่พอใจตามไปด้วยนะแต่ถ้าเรามองดีๆมันก็เราห้ามมันไม่ได้เนะอ่าแต่สิ่งที่ที่เราทําได้คือเราก็เราก็วางมันได้นะวางก็คือว่าไม่ไปโวยวายตอบหรือว่าเขรู้จักปล่อยวางไปนะ เข้าใจท่านในฐานะที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือบางทีเราทําความดีนะเราช่วยเหลือคนอื่นแต่บางทีก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมาบ้างนะดักสําคัญที่จะทําให้เราวางใจได้คืออะไรคือเราต้องมีเราต้องมีสตินะเราต้องมีความรู้เท่าทันตัวเรา ถ้าเราไม่เข้าทันตัวเราเนี่ยเราจะเผอแสดงท่าทีที่ไม่ดีออกไปหรือว่าคำพูดที่ไม่ดีออกไปนั้นความความรู้ตัวการมีสติเนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าเตือนเราได้อย่างดีเลยน ะ, นะคือการมีสติคือการกลับมารู้ทันนะรู้ทันร่างกายอยู่รู้ทันจิตใจนะที่มันแสดงอาการอยู่ในปัจจุบันนะั้น อะไรก็ได้ที่มันเด่นขึ้นมาในตอนนั้นนะเช่นเราเคยสังเกตไหมเวลาเราโกรธนะเวลามันโกรธนะบางทีมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันแน่นแน่นแน่นหน้า อ, อกหรือว่าร่างกายเราเหมือนตัวมันจะร้อนขึ้นตัวมันจะร้อนแน่นหน้า อ, อกแล้วก็หายใจขีดๆอะไรนะนี่คือความโกรธเขาแสดงอาการนะหรือถ้าใครเห็นจิตใจก็ได้นะ จะเห็นจิตใจมันโกรธเนี่ยจิตใจโกรธเนี่ยมั น, ม <c oughs> นทุกขนะ์ไหมเนี่ยทุกข์นะเนี่ยมันมีความทุกข์มันมีความร้อนในใจนะอันนี้ยกตัวอย่างเวลาเราเราโกรธขึ้นมาไม่ว่าจะมากจะน้อยมัน ก, มนก็มันก็แสดงผลทั้งทางกายหรือทางใจก็ได้นะอันนี้ก็ถ้าเราเห็นนะเราก็เรียกว่ามีสติมีสติคือเห็นเฉยเฉยนะแต่บางคน มันจะมีอาการอย่างหนึง่งได้ว่าติดดีนะหรือว่าไม่พอใจที่ตัวเองโกรธมันก็จะมีอาการอย่า ง, งคือไปโกรธตัวเองที่ไปโกรธเขาไปไม่พอใจตัวเองที่ไปเผลอโกรธอีกแล้วนะมันก็เลยเป็นเรียกว่าโกรธซ้อนโกรธนะเราไปโกรธคนอื่นแล้วเราก็มาโกรธตัวเองอีกก็ยิย่งทุกข์นะบางทีคนดีนะบางทีบางทีทุกข์มากกว่าคน บางทีคนไม่ดีในแง่เพราะว่าเรานะพอเราคิดไม่ดีหรือเผลอโกรธใครออกไปเราก็ไม่พอใจตัวเองนะสติมันจะช่วยให้เราทันตั้งแต่เช่นเวลาเราไม่พอใจใครเรารู้ทันในใจเราเราไม่เผลอไปซ้าเติมตัวเองนะเราไม่เผลอไปโกรธตัวเองที่ไปเผลอโกรธเขานะหรือเผลอไปว่าเขาแล้วนะ นิสติจะช่วยให้เราปล่อยวางเอาเรื่องพวกนี้ได้นะบางทีไม่แต่ความอยากนะก็เป็นธรรมชาตินะโยมความอยากแต่และคนอาจจะต่างกันบางคนชอบสิ่งสวยงามนะบางคนชอบสิ่งสะดวกสบายบางคนชอบอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเกิดความอยากขึ้นมานะนะแต่เราก็ไม่ต้องไปโกรธตัวเองที่มันไปอยากนะนะเรามองความอยากเป็นเรื่องธรรมชาตินะ เรื่องธรรมชาติคือเรื่องธรรมชาติของกิเลสแต่เราก็มีสิทธิที่จะเลือกได้ที่จะทำตามมันไหมนะคือเราก็เอาสติปัญญามาพิจารณาเข้าทันเอานะเช่นเราไปตลาดเราไปร้านค้านะร้านอาหารเห็นอาหารหนึ่งขึ้นมาเนี่ยบางทีความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นนะนะเช่นไปเห็นของหวานความรู้สึกหนึ่ง บางคนก็อยาก เ, เกิดความอยากขึ้นมาล้วก็สติเราก็มาพิจารณาดูว่าเออเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อใช่ไหม อ, อันนี้มันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพเราหรือเปล่าหรือไม่ดีนะอันนี้คือสติมาพิจารณาเราเห็นเสื้อผ้าเขาลดราคาใจก็เกิดความอยากได้กิเลสก็จะปรุงต่อว่ามันลดราคาน ะ, ะเราไปซื้อไว้ดีกว่า แต่สติก็จะมาตามทานันว่าเออมันลดราคาก็จริงแต่เราจะไปซื้อมันหรือเปล่ามันจำเป็นไหมเราดูดีๆอันนี้ถ้าสติเราทานันเราจะเห็นกระบวนการตนนใยของของธรรมชาตินะที่มันแบบดอกเรานะเราหลงขั้นเราหลงหนึ่งกระบวนการเนะี่ยแต่ที่จริง เราหงราลงหนึ่งอย่างเ่แต่จริงมันมีกระบวนการที่ชวนให้เราลงเนี่ยหลายอย่างมากหลวงพ่อเทียนนะนะที่เป็นอาจารย์ของของพวกอจตมาอยู่ที่วัดนะท่านเคยเล่าประสบการณ์ตอนหนึ่งพอท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านเห็นเห็นความหลงในอดีตของท่านเนาะท่านก็เลยลองเล่นกับความหลงดู หลงพรอเทียนท่านไปปฏิบัติธรรมนั้นท่านยังเป็นคารวาสนะยังไม่บวชนะท่านติดกาแฟติดบุหรี่นะนะติดขนาดแบบต้องให้คนชงให้ทั้งเช้าทั้งเย็นหรือว่าต้องให้ต้องซื้อบุหรี่ไปเป็นแบบเยอะๆไปกลับตุนนะอันนี้คือตั้งใจไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด น, นะแต่ซื้อบุหรี่ไปด้วยเยอะมากนะพอท่านปฏิบัติธรรมไปได้สองสามวันท่านเริ่มเข้าใจ เนี่ยเริ่มเห็นเนี่ยเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นท่านเลิกสูบบุหรีได้เนี่ยสองสามวันเองนะท่านเดิกสูบบุหรีไ ด, นนนะ ด, ได้แล้วท่านก็เลยลองดองยั่วกิเลส ด, ดูยั่วแบบไหนยัย่วเนี่ยแต่ก่อนคิดจะสูบบุหรีก็ก็หยิบดุดี่จุดไฟแค่เน่ะสู่ทันทีอยู่เนี่นเะนี่ยแต่ครั้นี้ท่านบอกไหนกิเลสเนดองทําให้ท่านสูบบุหรี่ดูสิ ท่านก็นั่งเฉดเชยนะกิเดสก็ต่อรองในใจสูบไม่ได้อะถ้าไม่อนุญาตให้เอามือไปหยิบบุหรี่ขึ้นมานะอาหลวงพ่อเล่นกำมันดูอะอนุญาตเอามือไปหยิบบุหรี่ขึ้นมาได้อ๋อหยิบแล้วทาไงหลวงพ่อก็ต้องอนุญาตให้ยกบุหรี่มาคาไว้ที่ปากสิสมมตินะอ่าคาไปแล้วยังไงสูบซื้อสินะ ก็สูดไม่ได้ดิต้องอนุญาตให้ไปหยิบไฟแช็คมาจุดมันสิน่ะเอาจุดซะเอาสูบดูสิก็สูดไม่ได้ดิต้องอนุญาตให้ดูด <c oughs> ใช่ไหมดูดแล้วก็ปล่อยออกนะมันมีกระบวนการหลายกระบวนการเลยนะที่เราโดนมันดอกตั้งแต่ ต, แ ต, ตั้งแต่เข้าคนตั้งแต่เริ่มซื้อนะหรือว่าเริ่มหยิบมันขึ้นมาเริ่ม จุดมันขึ้นมาหรือเริ่มดูดมันเข้าไปอันนี้คือกระบวนการที่แต่ก่อนพอเราอยากทั้งนึงเนี่ยมันเบ็ดเต็มจบไปเลยอื <c oughs> จบไปมวลหนึ่งจบไปทั้งหมดเลยนะอันนี้คือแต่พอเราเห็นเท่าทันว่าเอกระบวนการกีเลินี้มันมันหลอกเราในแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยอันนี้สตินะบางทีมันอาจจะไม่ทันโย่เช่น เราเผลอเช่นเราติดอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นบางคนติดบุหรี่แต่ที่นี่ผมไม่มีนะบางคนเช่นติดบุหรี่เผลอไปสูบปแล้วพอรู้ทันว่าเอ๊ะมันนี่ไม่ดีแล้วก็ทิ้งตรงนั้นก็ได้นะไม่ใช่ว่าไปโทษแต่เองที่เผลอไปแล้วสูบไปแล้วก็ทิ้งมันตรงนั้นอะไรนะหรือคนสติเร็วขึ้นรู้ทันรู้ทันตอนหยิบขึ้นมาคาบรู้ทันก็วางไปหรือเราอาจจะเป็นบางอย่างง่ายๆเช่นก็ได้ เคยไหมแบบบางทีโกรธนะเผยวจะไปว่าเขาละนะกำลังจะอ้าปากว่าเขาหรือบางทีอ้าปากไปว่าเขาแล้ประโยคหนึ่งละเพิ่งคิดได้ก็เลยก็เลยเบรกตัวเองขึ้นมานะหรือบางทีโกรธลูกกำลังจะเงื้อมือตีลูกละนะเรามีสติทันนะแล้วก็หยุดตรงนั้นก็ได้อันนี้คือบางทีไม่ใช่ว่าเราจะไม่หลงเนาะแต่บางที เราหลมแล้วเราจะทันมันตอนไหนก็เบรมันตอนนั้นอันนี้คือในภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุขบาทนะที่มันวนเบียนตั้งแต่ความไม่รู้นะคืออวิชชาวนล้ว้องเกิดเป็นความทุกข์แต่บางทีมันวนหลายรอบมากกว่าเราจะรู้ทันอันนี้คือมางจีความหลงความคิดนะมันมันซับซ้อน แต่มันก็เป็นวิชาที่เราควรที่จะศึกษามันดูนะถ้าเราศึกษาวิชานี้นะเราก็จะเห็นผลว่าจิตใจเราก็จะสงบขึ้นนะมีความสุขง่ายขึ้นแล้วกนะ็เวลาเจอปัญหาในชีวิตแต่ก่อนทุกปัญหาคือความทุกขนะ์แต่พอเรามีสติปัญญายมากขึ้นเราจะมองออกว่าปัญหาก็ส่วนหนึ่ง แต่ความทุกข์ใจเนี่ยเราเข้าไปแบกเองนะเราจะแยกได้ว่าระหว่างปัญหาก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งเราจะมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะเราอยู่กับโรคนะหรือว่าเราอยู่กับร่างกายเนะี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วมันหนีไม่พ้นนะอนะร่างกายเนี่ยถามดูบนโลกนี้มาว่าจะหาคนที่ไม่เคยป่วยเนี่ยแทบจะไม่มีนะใช่ไหมครับนอะ่า หาคนที่จะไม่เคยป่วยเลยแต่อาจจะแต่ก็อย่างว่าบางคนอาจจะป่วยมากป่วยน้อยก็แตกต่างกันแต่ถามว่าจะหาคนที่ไม่เคยปวดเนื่อยมีไหม <c oughs> ไม่มีนะแล้วนั่งยี่สิบสามสีนาทีก็ต้องปวด ย, ยังไงธรรมดาอ่าหรือบางทีเราก็คือทุกคนก็เป็นเป็นเหมือนกันทั้งหมดอะดังนั้น ร่างกายเราก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมีความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ถ้าจะพูดถึงปัญหาทางกายเนาะมันก็หนีกัไม่พ้นดอกนะไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วจะไม่ป่วยนะอย่าไปคิดว่าทําบุญแล้วมันจะต้องไม่มีโรคภัยไ ข, ไข้เจ็บทําบุญแล้วจะไม่เจอปัญหาแต่การทําบุญนะมันมีส่วนหนึ่งคือทําให้เราอยู่เหนือปัญหาได้ก็อะไร บางคนทําบุญแล้วมีความสุขใจนะมันดื่มป่วยมันดื่มปัญหาไปนถังเกตดไม่บางคนเวลามีปัญหาพอได้ไปทําบุญในขณะที่ทําบุญขณะที่รับพรดื่มความทุกข์ไปชั่วขณะมันสุขใจขึ้นมาแต่พอดื่มบุญก็กลับมาทุกข์ใหม่ดังนั้นการทําบุญก็เป็นวิธีทํารัดแบบง่ายๆที่ทําให้เราสุขใจหรือว่าดื่มความทุกข์ขึ้นไป แต่นั้นถ้ามันเป็นแค่บุญไายนอกที่เป็นวัตถุสิ่งของเนาะมันก็จะมันก็ช่วยแค่ชั่วขณะแต่การฝึกสติเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรกว่าเนาะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรกว่าก็คือว่าคล้ายๆเหมือนกับเราไม่สบายเนี่ยเช่นเราปวดหัวเรากินยาแก้ปวดมันก็หายปวดเป็นชั่วขณะ แต่ถ้าบางคนรู้ว่าการปวดหัวของเราเนี่ยมันเกิดจากเพราะความเพราะความเครียดนเราแก้ความเครียดในใจได้มันก็ไม่ปวดหัวอันนี้คือสาเหตุเนาะจิตใจของเราต้องเหมือนกันบางทีเราทุกข์ใจเรามาแก้ความทุกข์ใจด้วยสติปัญญาด้วยการมองทุกอย่างนตามความเป็นจริงนในทาง การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเช่นเราไม่สบายนะแล้วก็เราก็ใช้แบบจิตวิญญาตอกตัวเองว่าเราสบายดีเราปกติดีไม่ใช่นะในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่สบายเราก็ยอมรับว่าร่างกายมันไม่สบายแต่เราใช้สติปัญญาแยกออกมาว่าแต่ใจเราเนี่ยไม่จะเป็นต้อ ง, องทุกข์ใจก็ได้ ่ให้เราลองฝึกมองแบบนี้หรือว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยเนาะเราก็ลองแนะนําเขาแบบนี้ลองให้เขาค่อยๆแยกดูว่าบางทีเขาทุกข์เขาไม่สบายแล้วก็ยอมรับตามที่เขาเป็นนั่นแหละแต่แต่เราลองฝึกให้เขาแยกก็เอาใจออกมาหน่อยสิเอาใจออกมานออกมาทําอย่างอื่นดูนะเช่นเรียอนมาก็ชอบแนะนําเช่นพลิกมือ ให้ใจรู้สึกกับการพลกมือ่หรือว่าดูลมหายใจให้ใจกลับมารู้สึกกับการหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าให้บริกรรมสักอย่างให้ใจอยู่กับการบริกรรมนะใจเราก็จะหลุดออกมาจากความทุกข์ชั่วขณะแล้วถ้าเรามาอยู่กับตรงนี้ได้บ่อยๆนะมันก็จะหลุดออกจากความทุกข์ได้บ่อยขึ้น แล้วถ้าเราฝึกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะมีปัญญาเห็นว่าโอ้ล่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนนึ่งนะแต่มันเนื่องด้วยกันนั่นแหละแต่พอเราแยกภาษาพัดได้ว่าแยกรูปแยกนามเนาะแยกกายแยกใจนะเป็นคนละส่วนกันได้นะนะแต่มันเนื่องด้วยกันนะแต่มันมันแยกคือคือว่าเราเห็นว่ากายมันพุกใจไม่ ใจไม่ต้องพุกด้วยก็ได้อันนี้คือแยกออกไปหรือต่อไปเราสติปัญญาเรามากขึ้นเราแยกใจออกไปสองส่วนเอาพูดแบบง่ายๆเอาแบบเข้าข่า่นะแยกคำว่าใจกับจิตก็ได้นะจิตกับใจนะจิตคือความคิดคือความรู้สึกใจคือแค่การรับรู้นะ่ะ หรือว่าอาการที่ดูเฉยๆอยู่นะเราจะแยกพวกนี้ได้นะบางทีมันก็มีความคิดอันนั้นคือเรียกเป็นอาการของจิตนะธรรมชาติทุกคนต้องมีจิตปุตชชนก็ดีหรือพระอรหันต์ก็ดีนะมีจิตที่คิดมีจิตที่รู้สึกนะแต่เราถ้าคนที่ฝึกดีจะแยกได้ว่าจิตก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะใจเป็นผู้ดูจิต ใจเป็นผู้รักษาจิตใจไม่เข้าไปทุกกับอาการของจิตพอแยกตรงนี้ได้เราก็ไม่ห้ามความคิดเรามองความคิดเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตเรามองความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยดีใจเสียใจเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตแต่เรามาอยู่กับใจที่ปกติอยู่กับใจที่เป็นผู้ดู อยู่กับใจที่ไม่ทุกข์นะมันจะแยกตัวเนี่ยได้นี่คือปัญญานะเมื่อเราเห็นความจริงวันนี้เราก็จะเกิดความ เ, าเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เกิดการปล่อยวางก็เลยเกิดความไม่ทุกข์นี่นี่คือนี่คือการปฏิบัตินะที่ก็อยากให้พวกเราได้ได้ลองเรียนรู้หรือว่าหลาหลาท่านก็เคยไปปฏิบัติ ท, ทําอยู่ที่วัดนะกันแล้วเนาะก็วันนี้ก็โอกาสดีนะก็นะทําวัดเย็เนเสร็จแล้วอนะไมาก็คง พูดธรรมะประับตว น, นี้แหละให้พวกเราได้ลองเห็นคุณค่าของการฝึกฝนพัฒนาตนนะเพื่อเราจะได้มีที่ขึ้นนะกับตัวเราเองแล้วก็เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจนะี้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้นะทางโรคทางกายมาก็เชื่อว่าโรคใครใค้เจ็บหรือว่าการนักษากายพวกโยมก็มีความสามารถกันกันพอสมควรอยู่แล้วนะ แต่สิงหนึ่งที่สทำ ค, คือการรักษาใจของเราเองหรือว่าการช่วยเหลือใจของผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเนะี่ยเราพยายามไปช่วยกันเนาะอันนี้แมันจะเป็นมันจะเป็นสร้างสันติสุขนะในในโลกของเราได้นะะบาจทีโลกรักษาไม่หายนะแต่หมอหรือพยาบาลยิ้มให้เนี่ยคนไข้าหายทุกไปไปพอสมัวรนะนะใช่ไหม เราก็ช่วยแบบนี้ได้บางทียานะยาอะไรจะช่วยให้คนยิ้มมีไหมมีไหม <c oughs> ไม่มีเขาไม่ไม่มีบริษัทไหนผลิตยาให้คนยิ้มนะใช่ไหมมีแต่ใจเราที่ยิ้มนะอหรือว่ามีแต่คนที่ดูแลช่วยให้คนที่ป่วยเขายิ้มใช่ไหมอันนี้คือมันจะช่วยความสุขใจขึ้นมาได้ทันทีนะอืนะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงพอมีเวลาสักหน่อยเนาะถ้า เราจะปฏิบัติทำร่วมกันสักหน่อยแต่ถ้าใครมีสุระก็ปีไปก่อนก็ได้ก็ไม่ถือเป็นการ